เปธรมะอนาคตะพยาสูตรว่าด้วยภัยในอนาคตสูตรที่หนึ่งเจภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคต5ประการนี้ไม่ควรเป็นผู้ประมาทมีความเพียนอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ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 ดีของเราพึงกำเริบก็ได้เสมหากของเราพึงกำเริบก็ได้หรือลมมีพิษดังซาตราของเราพึงกำเริบก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นเอาเถอะเราจะปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง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 บัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวเมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียวพึงพบกับสัตว์ ร, ร้ายคือราชสีเสือกลงเสือเหลืองหมีหรือเสือดาวก็ได้สัตว์เหล่านั้นพึงทำร้ายเราถึงตายก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นเอาเถอะเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง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 สีิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวเมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียวเราพึงคบคนร้ายผู้ก่อคดีแล้วหรื อ, อยังไม่ได้ก่อคดีก็ได้พวกคนร้ายนั้นพึงปลิดชีวิตเราเสียก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นเอาเถอะ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 เพื่อทำให้แจ้งทาที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง 5. ภิสษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวก็ในป่ามีพวกอมนุษย์ดุร้ายพวกอมนุษย์นั้นจึงปิดชีวิตเราได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นเอาเถอะเราจะปรารบความเพียรเพื่อถึงทมที่ยังไม่ถึง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 ผู้แก่ถูกชะราครอบงำแล้วจะมานสิการถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ทำได้ง่ายทั้งจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าปโปรง่งและปาทึบก็มิใช่ทำได้ง่ายก่อนที่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเรา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 เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุธรรมที่ยังไม่บรรุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง 2. ภิกิุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่าเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลาง เหมาะแก่การบำเพ็ญเพยียรก็จริงถึงกระนั้นก็ยังมีสมัยที่พยาธิจะถูกต้องกายนี้ได้การที่บุคคลเจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำแล้วจะมนสิการถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ทำได้ง่ายทั้งอาศัยเสนาสะนะเงียบสงัดคือป่าโปรง่งและป่าทึบก็มิใช่ทำได้ง่าย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 ถึงกระนั้นก็ยังมีสมัยที่พิษาหาได้ยากข้าวกล้าเสียหายบินทบาทได้ยากจึงไม่สะดวกแก่การสแสวงหาเลี้ยงชีพเมื่อพิษาหาได้ยากคนทั้งหลายจึงอพยพไปในที่มีอาหารดีที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกครีด้วยหมู่คณะอยู่กันอย่างพลุกพล่านเมื่อมีการอยู่คลุกครีด้วยหมู่คณะอยู่กันอย่างพลุกพล่าน การที่จะมานาสิการถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ทําได้ง่ายทั้งจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบก็มิใช่ทําได้ง่ายก่อนที่ทําซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเอาเถอะเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ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 ไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาโดยในนี้แหละเพราะทำเลอะเลือนวินัยจึงเลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือนธรรมจึงเลอะเลือนภายในอนาคตประการที่หนึ่งนี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภายนั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไว้และพึงพยายามเพื่อละภายนั้นเสีย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 ก็จกไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาโดยในนี้แหละเพราะทำเละเลือนวินัยจึงเละเลือนเพราะวินัยเละเลือนทำจึงเละเลือนภายในอนาคตประการที่สองนี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ถ้าจะเกิดขึ้นในการต่อไปภายนั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไว้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 และไม่ให้ความสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้รจนาไว้เป็นบทกวีมีอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิตอยู่ภายนอกเป็นสาวกภาษิทธิพิกษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยโสดสดับตั้งใจใฝ่รู้ และให้ความสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจโดยในนี้แลเพราะทำเลเลือนวินัยจึงเละเลือนเพราะวินัยเละเลือนทำจึงเละเลือนภายในอนาคตประการที่สีนี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภายนั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไว้และพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นเสียห้า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 ภายในอนาคตหประการอะไรบ้างคือหนึ่งในอนาคตหมู่ภิกษุจกเป็นผู้ชอบที่จีวรสวยงามเมื่อชอบจีวรที่สวยงามก็จะรักความเป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดจกรักเสนาสะนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบไปรวมกันอยู่ในหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวง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 ที่มีรสอร่อยเมื่อชอบบินทบาทที่มีรสอร่อยก็จักรลักษมณ์เป็นผู้ถือเที่ยวบินทบาทเป็นวดัดจักรลเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปรงและป่าทึบไปรวมกันอยู่ที่หมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงสแสวงหาบินทบาทมีรสเลิศอร่อยและจัะถึงการสแสวงหาที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมหลายอย่าง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 ภายนั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไว้และพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นเสียสี่ในอนาคตหมู่ภิกษุจะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีนางสิกขามนาและลาวสมัมเณีเมื่ออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีนางสิกขามนาและลาวสมัมเณีก็พึงหวังข้อนี้ได้ว่าเธอเหล่านั้นจะไม่ยินดีประพฤติปรมจัน จกต้องอาบัตเจ้ามองบางอย่างหรือจักบอกคืนสิกขากลับคืนมาเป็นคฤหัดภายในอนาคตประการที่สีนี้ยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภายนั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไว้และพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นเสีย 5. ในอนาคตหมู่ภิกษุจะอยู่คลุกคลีกับพวกคนวัดและลาวสัมมเนน